มัาคนละสูตรท่านสอนให้ครบบัณฑิตเนี่ยแลขาคุณทานคุณทานคือหัวใจจะของทานเองเป็นอันดับแรกคุณทานภายนอกทานภายในแรกมันก็เป็นคนทานอยู่ภายในใจตัวเองมันคอยทานอยู่เรื่อยยุ่งอยเรื่อยเวลาไปอยู่กับครูกับอาจารย์ ได้รับการอบรมอยู่เสมอจากบัณฑิตท่านเป็น อ, อาจารย์ท่านเป็นบัณฑิตท่านมีความเฉลียวฉลาดอุบายต่างๆที่ท่านนํามาสั่งสอนเราท่านเคยปฏิบัติและรู้มาแล้วทุกอย่างการสอนจึงถูกต้องแม่นยําเป็นที่แน่ใจได้สาหรับผู้ฟังไม่มีสงสัยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นไม่เคยปรากฏเลยที่ท่านจะแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นก็เป็นอย่างนี้ไม่มีเลย มีแแน่วลงแนวลงให้เป็นที่แน่ใจเพราะเอาความจริงมาพูดล้วนลวนซึ่นถอนมาจากจิตใจที่เคยได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วรายไหนอ่อนแอแล้วท่านขู่ไปแล้วให้อ่อนแอใครร้องครางเืออาแล้วเอานั่นนะเป็นโกศเป็น่ะ ไม่ต้องหาหยุดหายาไม่ต้องมีใครดูแลนะรักษาอ้างอืออา่านเป็นโอโซนแล้วหนัดคนนั้นเพราะการร้องการค้างมันเป็นประโยชน์จริงๆนะเราจะหาหยุดหายาทำไม่นเนี่ยเวลาก่านย้อนกลับมาร้องค้างอาสิใครร้องค้างก็ได้นี่เด็กร้องก็ยังได้เพาะมันเป็นประโยชน์ นี่มันไม่เป็นประโยชน์นั่นเองถึงไม่ควรจะไปล้องไปทางไปอ่อนแอเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์แสดงตัวอย่างนั้นมันดูได้เมื่อไหอไร่ถ้าเป็นเด็กหรือเป็นคนธรรมดาทั่วไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รับการอบรมไม่ได้ศึกษาอะไรพอรู้พอเข้าใจในแนวทางที่จะต่อสู้ที่จะพินิจพิจรารณาอั น, นี้เรารูท้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเกิดเรื่องเกิดลาขึ้นมาภาตัวเองหาทางที่จะ ถ้าขาตัวไม่ได้นี่จะล้มระเนระนาดไปเลยถะท่านอาจารย์มันท่านเทศสอนปุกปลิดปลุกใจนี่เก่งมากทีเดียวทีนี้เราพูดตั้งบรรดาลูกศิษย์ลหาที่ไปด้วยความตั้งใจไปศึกษาลงจากท่านฟังอะไรก็ถึงใจถึงใจถึงใจสิ่งที่ควรจะปฏิบัติก็ตกปฏิบัติไปเลยสิ่งที่ควรเข้าใจในขณะนั้นก็เข้าใจ ไปเรื่องเป็นเรื่องภายในเข้าใจไปโดยลําดับสุนอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านสอนวิธีพิจารณาอ้ า, เ, อาเวลามันเป็นไข้มันเอาไข่ามาจากไหนท่านมาที่ท่านสอนให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติมันจะหอบไข้หอบหนาวมาจากไหนนั้นก็มีขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นในกายเรามีใค่เหนอเวลาหารมันจะไปหายที่ไหน มันเกิดขึ้นมาที่เป็นเรื่องความทุกข์ทัองวนนั้นมันก็เป็นสัจธรรมถามมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าจัดสรุ้ด้วยสัจธรรมสาวกจัดสรุ้ด้วยสัจธรรมเราจะสรุ้ด้วยความอ่อนแอนั้นได้หรือนะมันเข้ามันได้หรือกระปุกธรรมของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็มาฝังธรรมด้วย่ะมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอาการใดแล้วลองถามเขาดู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 ไม่รู้ทั้งผลคือกความทุกข์ไม่รู้ทั้งต้นเหตุตึ้มเป็นสาเหตุมันจะแก้ทุกข์ได้ยังไงปัญญาอหาปัญญาไว้ทําไมทําไมไม่คิดไมค้ น, คนขึ้นมาปัญญาก็เพื่อจิตรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของตนเองสอนย้ำลงไปโดยลำหนักลำหนักผู้ฟังซึ่งฟังด้วยความตั้งใจเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นวิถัยอาหารก็ยิ่งจับได้ง่ายถูกเลิญทันทีทันที แุ๊บปุ๊นี่ยในเวลาไปอยู่ในสถานที่ใดก็เหมือนกับท่านแสดงกลางวานอยู่ในหัวใจว่าน้ำท่านจําได้ทุกแง่ทุกกระทงที่สําคัญสําคัญทำหรับที่จะมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติซึ่งอยู่ในสถานที่สําคัสสัมผัสเช่นนั้นก็หนึ่งว่าท่านมาอยู่ที่หัวใจเราเลยทีนี้นมันก็อาจหาหน้าเลย การจริะรู้ทำเห็นธรรมนั้เข้าใจในอริยธรรมมันเข้าใจด้วยความอาดหานเข้าใจด้วยความเป็นนักต่อสู้ไม่ได้เข้าใจด้วยความอ่อนแอความท้อแท้ความเลีวไหลความถอยทับกลับแพ้โดยลำหนับนั้นไม่ใช่ทางที่กิเลสจะกลัวไม่ใช่ทางที่จะแก้ไขกิเลสหรือรู้เรื่องของกิเลสทั้งหลายจนกระทั่งถึงถอดถอนได้ พอศาสนาแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบถั่หาที่แย้งไม่มีถ้าเราดำเนินตามหลักศาสนาแล้ว เ, เรือนจรรมตารางตะเลงอะไเหล่านี้ไม่ต้องมีมีทำไมเพราะไม่มีใครจะไปทำถูกมองเห็นตามเหตุตามผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีของการการันเนามันก็อยู่ได้การได้สาหรับคนเราคนเราอันนี้ไม่ยอม ผิดก็ไม่ยอมรับบอกผิดเห็นตัวอยู่เขายังไม่ยอมรับติดคุกต oh. บบิดตราดแล้วถามยังวะต้องหาว่าขโมยนั่นขโมยนี่ไปซะอีกทั้งๆที่เราขโมยคือความไม่ยอมรับตามเหตุผลตามความจริงนั่นเองแล้ภายในจิตใจก็เหมือนกันไม่ยอมรับถ้ามันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากถ้าถอยอมรับตามหลักความจริงแล้วจริงที่แสดงขึ้นเป็นหลักความจริงทั้งนั้น ทุกขมันเกิดขึ้นมาจากไหนเราก็ทราบไแล้วเคยปรากฏทุกข์ขึ้นภายในร่างกายเราตั้งแต่วันรู้อย่างเดียวสาภาวะมาแล้วยุ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าหากว่าเราพอจะทราบค้นดูสาเหตุมันแล้วเรื่องเหล่านี้ถึงจะทุกข์ถึงมีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นความทุกข์ภายใน จ, ใจิตใจซึ่งเป็นการเพิ่มเข้าอีกต่อห น, นึ่ง สำคัญดีการคบคาสมาคมกับบัณฑิตนักตรัสท่านมาถ้าเรายังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ท่านคอยแนะนํา ส, สอนทุกวันค่อยซึมซ่าเข้าไปทุกวันทุกวันด้วยการได้ยินได้ฟังแล้วค่อยกลมกลืนมันเข้าไปกับผลิตนิสัยกับโอวาทของท่านต่อไปก็สามารถรักษาตัวได้เป็นอัตติหิตนุนาโถขึ้นมาเธอต้องอาศัยอื่นเสียก่อน การอยู่ด้วยกันกับผู้ดีมันก็มีความกลุมคลืนกันไปโดยลําดับดเช่นเดียวกับการคบค้าสมาคมกับเป็นชั่ว น, นั่นเองที่แรกเราไม่ได้เป็นคนชั่วแต่เวลาคบค้าสมาคมกันไปนานๆมันก็กลุมคลืนกันไปเองเวการเป็นคนชั่วโดวยรู้สึกตัวและเมื่อชั่วเต็มที่แล้วก็คือว่าตัวดีนั่นแหละทินเข้าใจว่าตัวดีแล้วมันกลับเป็นไปนะมันเริ่มมองเห็นความจริงว่าชั่วเลย เกสรรพันธ์ย่ขึ้นมาแว่าเราดีเราเก่งเราสามารถอืมว่าเป็นเสือทั้ ง, งอันดูชื่อทุกคนน่ะเนี่ยมันไปอย่างนั้นเสียพานการคบค้าสมาคมกับครูกับอาจารย์กับบัณฑิตนัปกป่าจึงเป็นความจำเป็นตั้งหลับผู้หวัามีหวังความสุขความเจริญโดยลําดับสำหรับตัวเองเพราะท่านสอนทุกวันอบรมทุกวันปิยามายาของท่านที่ เราได้เห็นทุวันทุวันนั้นเป็นเครื่องซูมซาบหรือบำรุงจิตใจของเราไโดยลําดับโดยยึดเป็นคติเรื่อยๆเรื่อยๆท่านพูดออกมาในแง่ไหนเป็นอัดเป็นธรรมทั้งนั้ น, นท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ยินเนี่ยที่ท่านจันมั่นเป็นความแน่ใ จ, จท่านสิน้นกิเห็นสบางอัดบางธรรมบางท่านมันหายสงสัยโดยท่านไม่ได้บอกว่าท่านชิ่นท่านไม่ได้บอกท่านเป็นภอดอาหัอรอาหัรอาหารอะไรเลยแต่ความจริงบอกอยู่ต้งโต้งโต้งต เ, เราหาความจริงทําไมจะไม่เชื่อความจริงทัา น, นการพิจารณาถึงเรื่องทุกขเวทนานี i จึงเป็นเรื่องสําคัญก็ได้อุบายมาจากท่านกันนั่นท่านเอาจริงออกจัง เ, เวลาเจ็บไายในกป่วยมากๆสำหรับผ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดทงงันแนบางทีท่านเดินไปเองพิจารณายังไงนท่านก็ย้าลงไปเลย ให้คนลงตรงนี้มันทุกข์ที่ตรงไหนให้เห็นความจริงของทุกข ouais ์แล้วก็สอนวิีที่จะหนาอย่าไปถอยทันะความถอยนั่นแหละคือความเพิ่มทุกข์ทันหว่างนั่นนะความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที uh ่จะได้ใช้ทันนะคือรู้เท่าทันกับทุกขเวทนา ซึ่งเราถือว่าเป็นค่าศิกต่อเราความจริงเยทนานั้นไม่ได้เป็นค่าศึดต่อผู้ใดในความรู้สิงของไม่มีอย่างนั้นเป็นคํามจริงหนึ่งเท่านั้นท่านสอนให้พิจนารณาลงไปทุกมากทุกน้อยเราไม่ต้องไปคิดไปคาดความหายของมันขอให้ทราบความจริงของมันด้วยปัญญาของเราแล้วใ จ, จเราจะไม่โกหกจะผอมท่านว่าใจเราเนี่ยไปโกหกเพราะผู้ที่โกหกมีอยู่กับใจะ มันก็พาใจให้ไปโกหกความโกหกกับความโง่มันก็เชื่อกันได้ง่ายทันวายอย่างนั้นถูกต้องความโกหกกับกับกับคนโง่คนฉลาดกับคนโง่มันก็หลอกกันได้ง่ายความฉลาดของเบลล์กับความโง่ของเรามันก็เข้ากันได้ง่ายเนี่ยทาทันถึงแยกแยกให้พิจารณา จนถึงความจริงแล้วเชื่อด้วยความจริงนั่นแหละเป็นการได้ชัยชนะไปโดยลําดับลำหนักเอาแยกแยกให้มันเห็นทุกข์ที่ทุกันยาแยกจิตหนีไปไหนอทุกมากทุกน้อยให้อยู่ที่ตรงนั้นอพิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจะจ้องก็จ้องอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพิจารณาสาเหตุของมันมันเป็นมาแตา่ไหนก็ให้ค้นลงไปคําว่าทุกข์มันมีอาศัอาายอะไรเป็นที่ตั้ง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 เป็นผู้หลงและก็ไปสําคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นทุกนี้เป็นทุกรวมทั้งหมดนั้นเข้ามาเป็นตัวว่าเราทุกที่นั่นเราทุกที่นี่ไม่อยากจะให้เราเกิดความทุกข์อากจะให้เราหายไปเสียความอย่างนี่ก็เป็นกิเลสอันหนึ่งขึ้นมาก็เสริมกันเกิดความทุกข์ความลำบากมากขึ้นใจก็ทุกข์ร่างกายที่เป็นทุกขเวทนาทางกายก็ทุกข์ทางใจก็กำเนิดพุทธิ์ด้วยความทุกข์เพราะอยากให้เป็นหดั่งใจหวังไม่เลยเสริมกันขึ้นไปนี่เพราะความ โห oh, ของตัวเองน่ะแต่วความฉลาดที่ต้องพิจรารณาหนึ่งทุกเวทนามันมีอยู่ในจุดใดเกิวจากอะไรหรืออาศัยอะไรอยู่อาศัยร่างกายร่างกายส่วนใดเวลานี้ทุกมันเด่นอยู่ที่จุดใดแล้วก็ดูร่างกายกับกับเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหม รูปลักษณะเหมือนกันไหมเวทนาไม่มีรูปไม่มีลักษณะท่าทางต่างๆปากฏแต่ความทุกข์อยู่เท่นั้นส่วนร่างกายมันมีมีรูปมีร่างมีสีสันมันนะมันก็มีอยู่ข้างมันอันหนึ่งเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกข์ดับไปมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกข์เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งในตามความจริง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 ทุกอันนี้ที่ว่าเป็นตนเป็นของตนนี้หายไปนี่เนี่ยมันแยกกันไม่ออกทุกก็มาเป็นตนแล้วจะจะแยกกันออกได้ยังไงถ้าไม่เห็นว่าทุกเป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากร่างกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากนี่มันถึงจะแยกได้ถ้าว่าจริงอันนี้เป็นตนแล้วแยกมันยังข้ำมันก็ไม่ออกเพราะอันนี้เป็นตนจะแยกไหนตนไม่แยากจะไม่ได้ยากให้หนีไปไหนเป็นตนหนึ่งนั่นนี่มันมาเข้าเป็นอันเดียวมันแยกกันไม่ออกในเจต伽พิจารณาเข้าไปถึงความจริงจริงแล้ว มันต่างอันต่างอยู่จริงของไทยของเราอยู่เช่นนั้นอย่างซึ้งภ า, ายในจิตใจแล้วทุกข์ค่อยแลงับลงไปแลงับลงไปก็รู้แล้วเครื่องสื่อต่อของทุกข์ที่จะให้เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับใจนั้นก็ออกไปจากใจมันค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถึงใจทีเดียวเรื่องเรื่องทุกขเวทนามันออกไปจากใจที่ไปหมายเนี่ยที่เป็นทุกขเพราะมันมีสายสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ โดยทางอุปทานอย่างนลึกครับเราไม่ทราบเวลาพิจารณาเช่นนั้นอย่างชัดเจนแน่เราถึงจะตามแต่หทุกเวทนาเข้ามามันลูกเข้ามาลูกเข้ามาหดเข้ามาจนกระยจนเข้ามาจนกระทั่งถึงใจพอทราบว่าใจนี้เองเป็นตัวไปก่ออุปทานขึ้นมาแล้วถือทุกข์ว่าเป็นตนจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมากมายพอมันทราบตอนนี้ทุกข์ก็ระงับลงไประงดาบนั่นประการหนึ่ง พอทราบเช้นนี้ทุกก็จริงใจก็ไม่ไปยึดถึงทุกจะไม่เกิดก็ถึงทุกจะไม่ดับก็ตามเรื่องจิตก็เป็นจิตไม่สื่อต่อกันด้วยอุปทานรู้ต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวมีความเรื่นเรงมีความสุขอยู่ภายในตัวในท่ามกลางแห่งความทุกข์แห่งขันนี่ชื่อว่ารู้จิต นี่สำหรับผู้ดำเนินในกำลังดำเนินปฏิปทาคือกำลังดำเนินเพื่อความรู้เท่าทันกับขันห้ามีเวทนาขันเป็นต้นคือทุกเวทนาเป็นท้อมขันแต่สำหรับท่านผู้ที่เข้าใจโดยตลอดทั่วถึงเป็นอกุ ป, ปะคือไม่มีสินใดที่จะกำเนิดเป็นอื่นไปแล้วนั้นท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เป็นทุกมากทุกน้อยไม่มีปัญหาทั้งสิ้นเพราะจริงอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีเวลาไหนที่จิตของท่านที่บริสุทธิ์แล้วจะกลายเป็นความสมองจะกลายเป็นโลกขึ้นมาไม่มีทางจะเป็นได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาการหนึง่งขันจะแสดง ข, ขึ้นมาอย่างไรท่านจึงทราบตามหลักธรรมชาติอันนั้นก็เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของเขาดับไปตามธรรมชาติหรือตั้งอยู่ตามธรรมชาติแล้วดับไปตามธรรมชาติของเขาจิตก็รู้ตามธรรมชาติทั้งตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชากันแย่างแต่อย่างใดนี่คือจิตของท่านผู้ที่รู้รอบขอบคิด โดยตลอดพอถึงแล้วเป็นอย่างนี้ที่เรากําลังพิจารณาก็เพื่อจะให้มันทราบแถวแนวต้องเป็นลำดับแม้จะไม่เป็นอย่างนั้นในระยะที่เราต้องการนี้ยังไม่สมบังก็าตามแต่แนวทางที่เราจะพิจารณาทุกทั้งหลายเพื่อแยกกิจของเราออกจากทุกไม่ไปพัวพันในทุกและไม่ถือทุกว่าเป็นตนเมื่อเวลาทุกเกิดขึ้นัากหรือกกว่าก็ตามไม่ไปห่อเอาทุกนั่นมาเป็นตนแล้วมาเผาตน เราก็สามายเพราเรารูเท่าทางทุกเพรานทุกจรินเป็นหินลับสติปัญญาของเราเอา้ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ตามให้กําหนดสติปัญญาจ้องอยู่ตรงนั้นแล้วถอยขมาดูจิตแล้วยายออกไปออกความรู้ออกไปหาทุกเวทนาออกไปหากายมันเป็นคนแลัตว์และส่วนอย่อยางชัดเจนกายจะเป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งถอยกันไปถอยกันมาอยู่่นี่ เพื่อทดสอบทางสติปัญญาของเราเมื่อหลายครั้งแล้วหนูไเข้าใจก็ซูมซาบซึ้งลงไปโดยลําดับลๆทีน่นี้แยกกันได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่สมมติว่าถึงค้าจะแต่จะดับจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนี้และไม่ต้องกลัวว่าทุกข์เราจะล่มจมทีไหนในเมื่อมีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่ต ก, กับทุกขเวทานาอยู่แล้วคือจิตของเราอยู่กับสัจธรรมอยู่กับผีรับปัญญาปัญญาที่คงกล้าจิตเราจะผ่องใสเป็นลําดับๆเพราะ เรื่องของปัญญาเป็นสําคัญเนียฐานดับในขณะนั้นมันก็มีปัญหาอะไรไม่มีทางร่อมจบประการหนึ่งถ้าลงมีสติปัญญาต่อสู้อยู่กับทุกขเวทนาอย่างไม่ถอยหลังแล้วขณะมันจะดับจริงมันก็จะทราบว่าทุกขเวทนานี้จะระงับดับไปส่วนจิตจะไม่ดับมันจะถอยตัวเข้ามารู้โ ด, ดยลำพังตนเองแล้วผ่านไปเลย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 เรียกว่าเป็นตัวของตัวแล้วกับผ่านกันไปอันนี้เรียกสูงแิะละเอียดอันนั้นก็ไปผ่านไปจากนั้นแต่ละเอาจะไปไหนก็ไปที่ทุกเวทนาเป็นของเกิดของหลับเราจะหาตามมันที่ไหนนันเกิดมันก็ดับของมันไปเรื่อยเนี่ยอะไรอะไรที่เราทร า, ยายรบชัดเจนแล้วปล่อยมันไปแตงใจรา่างกายทนไม่ไหวมันปล่อยเวทนาไม่ต้องบอกมันไปใหงมันเองเรียกว่าสุขโต การพิจารณาจิตใจเชนญประจักทั้งหักผู้ปฏิบัติถึงข่าวจนตวงสิงแล้วไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นสว่างจ้ามิตรเพื่อนฝูงใครต่อใครทั้งหมดต้องถอยจิตออกมาให้หมดกับสิ่งเกี่ยวข้องพอพันธ์ทั้งหลายเข้ามาสู่จุดที่มันกําลังปัะจุบันบอลกันอยู่เวลานี้คือทุกเวทนานั่นแหละสําคัญในขณะที่จะแตกระดับเราไม่ถอยเป็นยังไงเป็นกันขอให้รู้ให้เข้าใจกับเรื่องนี้เท่านั้น เราไม่ต้องไปคิดว่าการพิจารณาทุกเวทนาวุ่นไบนี่แล้วเวลาตายแล้วติตมันกําลังวุ่นอยู่นี่มันจะไปทุกข์หรือจะไปที่ไหนวุ่นก็วุ่นกับงานอันดีตอดชอบนี่วุ่นโดยทั้งรู้วุ่นมันจะวุ่นด้วยความหลงนี่เราต้องเราพิจารณาเราค้นเราคว้าอย่างนั้นเวลามันจะดีไปดีเวลาจะไปกินมันรู้นี่ผู้มีสติอินมันถอยพักเข้ามาทันทีปล่อยนั่นทันทีแล้วถอยพักเข้ามาสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวคือจิตต้นล้วน แล้วผ่านกลนี่เรียกว่าสุขโตเต็มภูมิของผู้ปฏิบัติงั้นาจะในสิน้นกิเลสก็ต่างก็จะกบเต็มเต็มกำมีกําลังเต็มตัวเต็มภูมิการพิจาราณาปิตาภาวนาจริงเป็นเรื่องสาคัญมากงั้นพึ่งเป็นพึ่งตา ก, กันหน้าจริงๆต้องหวังพึ่งใครทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจภายในตัวเองสติปัญญากําลังจิดตั้งเรามันรู้ภายในตัว และต้องประาทานไข่มีเห็นทัดทานดังถ้าหากว่าเราสามารถพิาจารณาจงกระทั่งมันขาดได้ในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขายเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเราจะไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นคณะว่าเราไม่สามารถที่จะทําพระนิพาให้แจ้งอันนั้นเป็นความสาคัญผิดท้องเราซึ่งเป็นเรื่องของที่เกลียนหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกัน ทำมันเป็นของจริงเสมอกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนวันนักบวชและฆราวาสสติปัญญามีได้ด้วยกันแสตทิเลศได้ด้วยกันเมื่อพอจะแก้ทิเรศได้ด้วยอุบายแดะวิธีใดของหญิงใดชายใดฆราวาสใดพระอุคมไหนก็ตามสามารถแก้ได้ทั้งนั้นและพ้นผู้ไปได้ด้วยกันเราไม่เราไม่ต้องไปค่าสมัยเสียเวลาเวลาว่าเรามีอํานาจศาสนาเนาะอย่าไปคิดเรากาลังสร้างอย่างนี้มากหรือน้อยก็เห็นด้วยกับจิตนี่แหละที่จะงามันโ้อที่ตรงไหนพยายาม ต่งสมความฉลาดขึ้นมานี่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมของวิทยาแท้ถรือเรามาตนิฑิตตัวนีนว้อยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้หรือไปที่ไหนคนนั้นแซงเราคนนี้แซงเราเนี่ยมันเราสําคัญในทางลูก่อทุกให้เราเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองนั่นหาอุบายฆ่าตัวเองมดยไม่รู้สึกตัวนะอาจจะไปคิดอย่างนั้นวาสนาเต็มตัวทุกคนทําไมจะไม่เต็มตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักบำเพ็ญอยู่ด้วยกันฮวาสนามันจะเป็นของออกมาตลาดนั่นค้าพอจะ ประกาศหรือแข่งขันกนันมีอยู่ด้วยกันทุกคนท่านไม่ให้ประมาทกันเรื่องอํานาจวาสนานี่อยู่ภายในจิตใจด้วยกันคนแม้แต่ศัตว์ท่านจะไม่ประมาทที่ดูมันมีอยู่ภายในจิตใจของอากาศนะท่านแกล้งที่เหลืก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปคิดให้เสียวเวลาเลาเป็นการทําลายกําลังของตัวเองนึกความมุ่งมั่นของตัวเองให้ด้อยลงไปด้วยการคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชาย หรือเราเป็นนักบวชเพราะเราไม่เราไม่เป็นนักบวชเราอยู่คารวาสอันนั้นเป็นความหมายหนึ่ในต่างหาส่วนความที่ถูกต้องจเป็นแล้วเราทําความเพียรนะด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อจะแก้ที่เลสเช่นเดียวกับ พ, พระพุทธเจ้าและสาวกตั้งหลายตลอดทุกนักบวชท่านเนี่ยทาเป็นทําเหมือนกันหมดผู้หญิงก็ก็มีได้สติปัญญาเพราะผู้หญิงผู้ชายมีที่เลสด้วยกันการแก้กิ่เลสแก้ด้วยสวติแก้ด้ ปัญญามีความเพี่ยนเป็นเครื่องหนุนและกิเลสไม่อยู่ที่ไหนมีวิูที่ใจด้วยกันเมื่อสติปัญญาทานกันเมื่อไรแล้วเป็นผ่านมาได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีปัญหาและจะต้องเป็นนัก บ, บวชนี่คือความจริงแห่งกจัจจธรรมที่ไม่เลือกถ้าท่านบรรณะบรรดาที่เป็นมนุษย์แล้วใม่เลือกเพศหญิงเพศชายขอให้บำเพ็ญเพราะทำเป็นกลางกลฟังได้เข้าใจได้ด้วยกันท่านหญิงทั้งชายท่านนัก บ, บวชและข้ารับว่าปฏิบัติได้ แคเละได้ทีเละก็ไม่นยิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่กิเละด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่พระเป็นนักบวชมันก็มีกิเละจะว่างไงท่านจะต้องแก้ของท่านถ้าท่านไม่แก้ก็นอนจมอยู่กับทเละเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละหรือยิ่งมากกว่านั้นก็ได้ไม่สําคัญกับความมาเป็นนักบวชมันสําคัญคือการแก้กิเละด้วยความภาคเทียนนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเราจะต้องสนใจในจุดนี้เนี่แล้วความพ้นทุกพ้นที่ไหนพ้นที่มีทุกนั่นแหละแก้ทุกได้แล้วก็พ้นทุกถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นเพศไหนก็ตามกกนนนนอจลึใทุด้วยั นี่ยวาสนาอยู่ที่จิตถ้าทําให้อาภัพอาอาภัพได้ที่จิตทั้งร่างเนี่ยจะเป็นนักบวชคาร ว, ว่ากมันอาภัพได้ทั้งนั้นจะทําให้วาสนาหรือศาสนารุ่งเรืองขึ้นภายในกิตใจก็ทําได้ศาสนาเจริญเจริญที่ไหนเจริญที่ใจใม่เจริญ ท, ที่อื่นสาคัญที่ใจสาคัญที่การปฏิบัติของคนเราพิยามัญาการประพฤติแสดงออกก็เมื่อใจมันเจริญนั้นมันจะเจริญทั้งนั้นแหละพิยามัญาที่แสดงออกสนใงามน่าดูน่าชมแต่พาะอย่างยิ่งใจ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองภายในติดภายในตัวมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่เสมอแล้วว่าเรียกว่าใจที่มีความเจริญพิเรนไม่ค่อยจะมาทำลายได้หรือว่าศาสนาเจริญเอาพยายามพิจารณาแก้ไขไปโดยลํำดับไม่มีกว้างไม่มีแคบไม่มีมากมีมาอะไรนี่อยู่ที่หัวใจที่เท่านั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชนักพระว่าด์นี่อยู่ที่หัวใจด้วยกันหนาแน่นขนาดไหน พาคิดดูอย่างความมืดมันจะมืดมาตั้งกับทั้งกันก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นเนี่ยความมืดมันหายไปหมดมันไม่เห็นอะไรมาอวดว่าฆ่าเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟนี่จะมาเปิดให้นก็ไล่กับความมืดของเขาเจ้าออกนี้มันเป็นแต่แน่ได้มันไม่มีทางเมื่อเหตุผลมันพร้อมกันแล้วมันหายไปหมดความสว่างเกิดขึ้นความมืดมันจะเกิดมาตั้งกับทั้งกันมันดับไปหมดพิเลศมันจะหนาแน่นเป็นไรก็ตามขอให้พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะปัญญาสามารถแล้วมันรอบตัวทันที พิเรศก็เคยอยู่ในจิตใจรามาตั้งขับตั้งกันก็เช่นเดียวกับความมืดที่เคยมีอยู่นั่นแหละพอตามภายขึ้นมามันก็สว่างจ้านีนตามปัญญาขึ้นมาภายจิตมันก็สว่างจ้าด้วยกันทั้งนั้นนี่มีเท่านี้เป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องพิจารณาหาให้เห็นศาสนาอัจฉริอัจฉริยที่ไหนศาสนาเจริญเจริญที่ไหนจะยินว่าถนับพ้นทุกพ้นทุกพ้นที่ไหนมีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้น ขยายขึ้นมาก็สัจธรรมทุกสมูทยัยนิโรธมากทุกทรเราก็ารทราบว่าทุกเพราะเราไม่ใช่คนตายสมูทัยคือสิ่งที่จะเสริมส่งเสริมทุกให้เกิดเลดเป็นเครื่องผิดทุกให้เกิดมีอะไรบ้างท่านกล่าวว่านั่นที่ราคะสหคตาตาตะตาตะลายพยังมีเสอรอยูที่ดันคำกำมามตถาภวตถาวิภวตัหาเป็นต้นแน่เ้าก็ทราบ อ, อะไรที่มันนักมันไข้รักไข่ในสิ่งใดบ้างแล้วพย า, ายามแก้ไขมันรักใไข้ใน ขันห้าเอาเฉพาะอย่างยิ่งนะในขันห้ า, าพยายามรู้เท่าทันมันโดยลําดับเอารักไถ่ในจิตฮ้ติดในจิตสมวนในจิตแก้ไขมันเพราะมันรักที่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวกิเลสมันอยู่ที่ตรงนั้นแก้เข้าไปแก้เข้าไปจนกระทั่งมันถึงความจริงแล้วไม่รักไม่ทางอืถ้าหมดแล้วเรื่องกิเลสหมดแล้วความรักความทางความเปรียดความโกรธมันก็ไม่มีเป็นหลักธรรมาชาติภายในตัวล้วนๆนั่นแหละ ท่านเรียกวันธรรมชาติที่ต้องการแล้วการพิจารณาก็คือมากเนี่ยแก้สมุทัยไปในตัวเป็นความรากความทางไปต้นเนี่ยแก้ธาตุจิตนี้นนโรยก็คือว่าดับทุกนั่นเองดับไปโดยลําดับลำดั บ, ดบจนกระทั่งมีความสามารถเต็มที่แห่งมากแล้วนิโรดก็ดับไปโดยสิ้นถชิงไม่มีเหลือขณะที่นิโรดดับไปหมดแล้วนิโรดดับทุกไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่าทุดับไปที่เรียนดับไป อะไรที่รู้ผู้รู้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ในนี่นอกจากสัจธ ร, รําไปเลื่ออันนี้สัจจานั้นสัจธทํานั้นเป็นจิตยาเป็นอาการเป็นสมมตินี่โรดก็เป็นสมมตุติต้องเป็นจิตยาที่ดับเพิ่หนึ่งหนึ่เป็นจิตญาสมมติความดับไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะให้ดับแล้วเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนนั่นไม่ใช่สัจธรรม นั่นคือความบริสุดของจิตถ้าจะเรียกนิพพานก็เรียกได้เรียกอะไรไม่ขัดใครทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นไม่ขัดแล้วไม่ขัดไม่แย้งใครทั้งหมดตัวเองก็ไม่แยง้งอะไรก็ไม่แยง้งรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างพูดไปได้ทั้งนั้นแหละมีปัญหาอะไรเลยเขอให้มันรู้อันนี้เนี่ยนี่เราศาสนาแท้อยู่ที่ตรงนี้พ้นจางการปฏิบัติศาสนาก็มารู้ที่ตัวเองเนี่ยศาสนาเจริญเจริญที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสอนให้สันโลกพ้นจากทุกข์พ้นที่นี่เองไม่พ้นที่ไหน แล้วก็เป็นสาโลกผู้หนึ่งและอยู่ในขายย่ายแห่งโอ ว, ว, วทาทคำของสองโดยเจ้าอยู่ในขายย่ายแห่งความพุทธบริษัทเป็นผู้มีสิทธิด้วยกันในการพิบัติการตัถอนกิเลรให้พ้นจากทุกในบริษัทสี่นี้มีสิทธิด้วย ก, กันทั้งนั้นที่จะทําตนให้แจ้ถึงรบระนิพพานได้คลายพินิพิพจนาทําความกล้าหาญต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้ภายในจิตใจของตนสังสมความกล้าหาญสังสมสติปันดาขึ้นให้เพียงพอ อุภาอุบายคิดค้นต่างๆให้เกิดขึ้นจากตัวเองเโดกคิดคนเองนั่นแหละเป็นที่ชอบทำเป็นสมบัติของนตแท้ครูบาอาจารย์ท่ า, านาหยิบยื่นให้เป็นที่นเป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาพอเป็นเงื่อนหรือพอเป็นเชื้อที่เราจะนำไปพิจิตรพิจารณาให้แตกแขนงกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาถ้าอันใดที่เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาด้วยอุบายของเรานั้นกินไม่หมดมันหาคิดหานค้นไปร้อยแต่ธรระการเพื่อถอดถอนกิเลสในแง่ต่างๆอาจ น, น, นทั่งกิเลสหลุดลายมีเหลือเพราะอุบายของเราเองทั้งนั้นนี โดยที่อาศัยครูบาอาารหยิบยื่นให้เป็นต้นผุนนี่แลเป็นธรรมของเราแท้เกิดขึ้นมากน้อยเป็นธรรมของเราทั้งหมดถึงนี่เป็นสมบัติของเราแท้แเราเรียนจากครูจากจากตำหนับตําราก็เป็นของโอรสเจ้าหยิบยืมท่านมาจากครูบาอาจ า, กการย์ก็หยิบยืมท่านมาเว้นแต่ว่าจริงอะที่เวลาท่านแสดงมันเข้าใจในขณะนั้นแก้กิเลสในขณะนั้นก็เป็นสมบัติของเราขึ้นมาในขณะที่ฟังพอกจากนั้นเรกาก็แยกไปจากอ่าครูบาขอท่านะไป พิจารณาใค่ควรแต่ขแขนงออกขึ้นด้วยอุบายของเราเองเป็นตบัดของเราทั้งฝาเหตุคือการพิจารณาทั้งฝ่ายผลคือที่เราได้รับเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นั้นเป็นผลของเราล้วนวนมีอยู่กับเราไม่มีผู้ใดมาแบ่งสรรปันตน่วนเรได้เลยมีแหละความเลิ่เลื่ขึ้นที่นี่ไม่เลิ่ที่ไหนแหลนันต้องพยายามหาความเลิ่ความสันส่วนซึ่งมีอยู่ในตัวของเราความรู้นี่แหละ ไม่ใช่อื่นใดที่จะเป็นความด้อยความกระสุดแต่เวลานี้มันถูกถึงเจ ก, กระบอกโศมมหาคุณค่ามาได้มันปกคุมหงหอยอยจรงกลายเป็นของไม่มีคุณค่ามีราคาไปก็คือใจนี้แหละเวลานี้เราขังลำซำลอกกอกมันดูเดินด้วยระดับระดับระ ด, ด, ด, ดอให้เต็มที่แล้วมันก็เป็นความเลื่อ ข, ขึ้นมาเลิ่ที่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพอถึงเมืองพออาลรยุติเพียงเท่านี้เ <laughs> มืองพอเลยท